อ้เดี๋ยวเรียนศึกษาการทำกันต่อแป๊บเดียวบ่ายโมงแล้วอ้าวก็ขอโมทนากับพวกเราเนาะขึ้นในช่วงบ่าย ตอนนี้เราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ใช้คาว่าตอนนี้ก็ศึกษาฉั้นในส่วนของทานในส่วนของศีลในส่วนของภาวนาเนี่ยนะหรือที่เราศึกษาในชั้นของสติปัฏฐานถ้าเรามองคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ในคำพีวิสธิมาร์กเนี่ยท่านบอกว่าพระธรรม พระสัธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสันิติโกเห็นไหมสันติโกในที่นั้นก็คือผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยก็เพราะผู้มีปัญญาศึกษาพระปรฏิยติธรรมก็เห็นได้โดยตนเองว่าเป็นความวิเศษสุดแห่งพระสัตธรรมวิเศษในที่นั้นเป็นความงดงามในเบื้องต้นเห็นไหมทำกลางและที่สุด และถ้าหากบุคคลใดได้บรรลุโลกุตระธรรม9แล้วไม่ต้องถึงความเชื่อในผู้อื่นก็ไม่ต้องให้ผู้อื่นพยากรณ์และย่อมเห็นด้วยปัจจเจกขณะยานของตอนเองชัดเจนเลยอันนั้นก็สันทิติโกส่วนถ้าหากว่าเป็นสันทิติโกเป็นความเห็นที่พระริยาเจ้าสารเสิร์นพรปริยติธรรมก็ย่ำยีพวกเดรถีคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าเป็นอย่างนี้ แต่จริงๆสภาวธรรมกล่าวคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจะปรับปรประวาทได้ด้วยดีทำให้ชนะกิเลสโดยข่มไว้ด้วยเหตุที่ศึกษาและปฏิบัติต่อเนื่องสืบไปแล้วก็ส่วนอริยมรรคเนี่ยคือสัมมาทิฐิเป็นต้นน่ะชื่อว่าสันทิษฐิโกเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิษฐิสันทิฐิในที่นั้นที่สัมปยุตกรรมรรค่มเนี่ยนั่นหละคือ องค์มารที่สัมปยุตในองค์มารแปที่สัมปยุตที่ประกอบในมรรคจิตอันนั้นเป็นสันทิติโกอันนั้นเพราะชนะกิเลสเป็นเหตุในการที่สามารถที่จะละกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารเพราะอะไรเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิทธิก็คือเป็นเหตุแห่หงตนด้วยปฏิสัมเป็นเหตุแห่งปฏิสัธิประหารก็คือสามารถมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ และอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นนิสระนประหารด้วยเป็นนิสระนประหารเพราะตัวมรคนี่นมรคจิตนั่นอีกความหมายหนึ่งตรงนั้นก็คือเป็นไปเพื่อลักกิเลสและเพิ่มพูนธรรมะที่สะอาดโวทานะฉะนั้นในด้านของทานเนี่ยทานจริงๆนั้เนี่ยท่านขับเน้นเจดนาทานขับเน้นตัวมหากุศลจิตตุบบาท ทีนี้จิตมหากุศลจิตวบาตที่เป็นทาน น, นะนะที่เป็นทา น, นกุศลเนี่ยนะแล้วก็ไปแยกเป็นปุพพะเจตนาทานมูลจะเจตนาทานอัปปะราประหรืออัประเจตนาทานขับเน้นในเรื่องของเมื่อสักครู่พูดถึงในด้านของในสูตรที่ใช้คำว่าศรัทธาทานอย่างหนึ่งสักกัจทนนกกะทานนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็การทานนั้นอย่างหนึ่ง ใช่ไหมอันแรกขับเน้นศรัท ธ, ธาทานนั้นตัวนั้นมีศัตยยะศรัท ธ, ธาเป็นศัตธธายะปัตถานังก็มีศรัท ธ, ธาเป็นเหตุใกล้อันนั้นแหะคือท่านขับเน้นที่ศรัท ธ, ธาทานไปหยิบยกมาในสัพุริสถานมาในพระสูตรนั่นแหละเอาตัวตัวมุมนั้นมุมเดียวเป็นตัวตั้งเป็นปัตฐานของทานท่านก็มาตั้งตามสัพุริสถานทานของสัตว์บุรุษ ก็คือศรัทธาทานในที่นั้นหมายความว่าดูก่อนพิกสุทั้งหลายผู้บริจาคทานด้วยความเชื่อด้วยความเลื่อมใสในกรรมและผลของกรรมเชื่อกรรมผลของกรรมที่จริงสืบค้นมาจากเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็เชื่อกรรมเชื่อกรรมแล้วก็เชื่อผลของกรรมเนี่ยอันนั้นเป็นสภาพของศรัทธาใช่มเป็นสภาพของศรัทธาเจตสิก สภาพของศรัทธาที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยใช่แล้วก็เป็นสภาพที่มีความใสถ้าศรัทธานั้นตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็มุ่งมั่นถ้าถามถึงรักพระพุทธเจ้าแค่ไหนรักขนาดไหนถ้าเราดูว่าลองดูอย่างนี้นะว่าตอนที่ ตอนที่เขาทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาจะ แ, ดจะแสดงยงมากาปาฏิหารใช่ไหมก็พากันไหลไปเวนายชนได้ฟังธรรมในครั้งนั้นได้บรรลุ2 0 0ล้านเนะีนะ่ยที่แดนย ม, มกนะแล้วต่อมาก็เฝ้าคอยไม่กลับไม่กลับแล้วถ้าพระบรมศาสดาไม่ม า, างั้นจนพระโมคคัลลานะต้องขึ้นไปยมวันจะออกภาษาถามว่า พระบรมศาสดาจะเสด็จณที่ไหนบอกจะเสด็จที่สังกัดที่ถามก่อนว่าพี่ชายเธอจำํำภาษาที่ไหนเพราะในปัณสานั้นภาษาลิบุตรอุปถาเขี้ยมบอกว่า ท, ท่านภาษาลิบุตรจำํำภาษาที่สังกัดสานครแต่ถาคตก็จะเสด็จลงหน้าประตูสังกัดสานครนั่นแหละท่านนนก็มาบอกประข่าวว่าพระศาสดาจะลงที่ประตูสังกัดสานครแล้ว ประชาชนก็พากันเดินจากสาวถีที่ชุมนุมไม่กลับบ้านกันปักบ้านหยุดแถวนั้นแหละคนที่ดูแลในครั้งนั้นก็คือมีจุละอนาถะเป็นต้นเป็นผู้ดูแลจุละอนาถาพินทิกะเสียถีไม่รู้เป็นลูกหรือเปล่าแต่เป็นผ้านาคาเป็นผ้านาคาแล้วสามารถแสดงยี่ม ก, กับปฏิหารได้ด้วย แรือแสดงปฏิหารขอภยัยไม่ใช่แสดงยงมกัตถหมาเธอเนี่ยท่านเนี่ยจะแสดงปฏิหารแทนพระพุทธเจา้าวันนั้นน่อขอแสด ง, สสดงทุกคนอาสาหมด<อ>เราไปหนะ้าที่ตรงนั้นเราจะไปอ า, าสาแสดงอะไรดี <c oughs> อาสาอะไรดี <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปถึงตรงนั้นจะถาม <c oughs> ดกักรรดาบอกว่า <c oughs> จะอ า, าสาแสดงคุณธรรมอะไรถวายเป็นพุทธบูชา คืออุบาสิกาก็ก็ไปขอแสดงแทนพระเจ้าอุบาสกจุฬาอนาถาปิณิกาอุบาสกก็จะไปสขอแสดงใช่ไหมสมณะเมนรก็ขอไปสมะเมนรีเป็นต้นเหรเนียพิษูุเป็นต้นแม้พระโมคคัลลานะก็จะแสดงแล้วก็บอกด้วยนะตัวเองเนี่ยที่จริงเนีท่านเหล่านั้นที่มีที่มีวิชาสามปฏิสัมพิทายานสี่ใช่ไหม แล้วก็มีอภิน ญ, ญาหกเนี่ยที่ท่านเหล่านั้นที่มีทั้งหลายนะั่นน่ยอริยทรัพย์ทั้งหลายที่อยู่ประชุมอยู่ในกระแสขันของท่านเหล่านั้นน่ยอริยทรัพเหล่านั้นก็คือมรดกของพระเจ้าเป็นธรรมะมรดกท่านมีทั้งโลกุตลระมรดกและโลกิยามรดกที่พระาศาสดาทรงมอบให้ท่านเป็นลูกของพระาศาสดาท่านมีสิทธิ์รับมรดกเราก็เป็นลูกของพระเจ้าทําไมเราไม่มีสิทธิ์รับมรดกของพระาศาสดา ตอนนี้เราก็รับอยู่ใช่ไหมอาหมิสมรดกในเต็มที่เลยรับทุกวันเมื่อกี้ก็รับแล้วก็รับกันอยู่ตลอดใช่ไหมเนี่ยทั้งสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทั้งหลายอันนี้เป็นมรดกของพระศาษษสดาเนี่ยรอบๆเราเนี่ยมรดกของพระศาสดานี่เขาถวายพระศาสดาอย่าง น, านาี้นะก็มองให้ชัดเราจะได้เห็นแม้ตัวเราเองเนี่ยเราก็ถวายกายและชีวิตแด่พระศาสดาฉะนั้นก็คือว่าพระศา ทานเหล่านี้ใช่ไหมเป็นผลน่ทานพระทานบารมีของพระพุทธเจ้าก็แปลว่าก็เป็ น, ร เ, ปนเรามองไปก็คือเห็นสมบัติของพระบรมศาสดาเต็มไปหมดแต่อันนี้เป็นอามิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดพระศาสดาบอกอย่าไปติดขอ้องต่ฐาคตคายแล้วแต่มรดกเหล่านี้ตถาคตมีไว้สําหรับพวกเธอจะได้มีชีวิตเป็นอยู่ได้และจะได้เจริญเข้าสู่ธรรม ม, มรดก ทีนี้ในธรรมมรดกก็ระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็มาแยกเป็นโลกิยาธรรมและโลกุตละธรรมโลกิยาธรรมก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะส่วนศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมในอริยมรดกทั้งหลายนะั้นเป็นโลกุตละมรดกและก็ในผล สมาบัติเหล่านั้นแหละนั่นเป็นโล ก, กุตระมรดกใช่ไหมตอนนี้เราก็พยายามจะขับเน้นให้เราได้ธรรมะมรดกของพระศาสดาใช่ไหมพอได้ธรรมะมรดกของพระศาสดาเราจะได้เอาไปถวายเป็นพุทธบูชา ว, วันนี้ไงเราก็อยู่ในฐานะเป็นลูกของพระผู้มีภาะเจ้าใช่ไหมเรารักพระศาสดาเรารักพ่อเราก็ต้องมีม ร, รดกของพ่อที่เราก็ต้องไปถึงก็ไป ถวายให้พ่อดูนี่นะครับนี่แหละไม่พ่อนี่มรดกของพ่อที่ดิฉันได้รับมีแค่นี้น่าชื่นใจไหมมีแค่นี้อายุเท่าไหร่แล้วเกิดมาเนี่ยตั้งแต่นับถือพุทธทางสนันนิากระฉามีทำไมได้แค่นี้ก็มรดกของพ่อเต็มไปหมดเนี่ยทำไมทาไมไม่มาเอา ความสามารถแค่นี้นพระศ า, าสดาก็บอก mm hmm. เธออย่ามักน้อยในมรดกของพ่อ mm hmm. แต่จงมักน้อยในอามิตรมรดกเน่ยแต่อย่ามักน้อยในธรรมมรดกของพ่อเราก็ฟังไม่เข้าใจเราก็มักมากในมรดกของพ่อที่เป็นอามิตรกันอยู่นี่แหละ mm hmm. ใช่ไ้ยเ mm hmm. พราะเราไม่รู้มันเป็นวัตถุฐานเราไปเข้าใจเป็นวัตถุกามซะนี่ ก็เลยเอากันใหญ่เลยแย่งชิงมรดกพ่อเขา้าใจอย่างเนียวนี้ี่เขเห็นเห็นเห็นภาพแล้วเนาะเพราะเห็นภาพนี้จะได้ตั้งตั้งหลักถูกตั้งวิธีคิดเป็นถ้าตั้งไม่ตั้งหลักไม่ถูกตั้งวิธีคิดไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเสียหายเอาจะไม่ดีตรงนี้ก็เลยมาตั้งหลักอย่างนี้ก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วทีนี้ตรงนี้นี่แหละ เมื่อพระโมคคารนาเป็นต้นนะจักแสดงยะมะกับปฏิหารแทนพระบรมศาสดาก็บอกว่าพ่อทำนอ ง, องนันนะจักเอามรดกของพ่อแสดงแทนคือจะเป็นคนหยิบมรดกเลย ท, ท, ที่ต้นเองได้รับมาเนี่ยเอามาโชว์ให้ดูนี่แหละมรดกว่างั้นจะให้กันเหล่าพุทธบริษัทและบุคคลอื่น ที่ไม่นับถือทั้งหลายได้เห็นนี่ไงนี่ขนาดลูกยังมีมรดกมากมายขนาดนี้ไม่ต้องให้พ่อเอาสมบัติมามามามามามาโชว์ล็อกแล้เราดูก็ตื่นตาตื่นใจดูไม่ไหวพอไปเห็นสมบัติของพ่อออกมาจริงๆจะมาแค่สมบัติของลูกแค่นี้ก็ตื่นตาตื่นใจขนาดเนี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคําว่าแสดงยะมะกาปาริหารบ า, าสดาทุกองค์ไม่ทรงละคือต้องแสดงไม่ได้ เป็นหน้าที่ของพ่อแสดงแล้วอย่างนี้นะพระบรมศาสดาก็แสดงเองเลยพอแสดงเสร็จนั่นแหละก็แปลวันนั้นนะพระศาสดาแสดงอิทธิปฏิหาริย์อาเทสนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารไปพร้อมกันเลยศาสตร์จึงได้บรรลุ200ล้านไงพอแสดงปฏิหารสามนั่นเป็นการแสดงธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เราหมดโอกาสแล้วใช่ไหมตั้งหลักใหม่ไม่รู้ไปเผอภัยที่ไหนใช่ไหมนั้นคนก็อยากจะดูอีกครั้งหนึ่งไงก็รอไหมแต่เนี้ยกลับบ้านไหมไม่กลับไม่กลับแล้วก็พอบอกว่าจะลงที่สังกษนาครห่างจากนี้ไปสี่รกิโลก็พากันเดินเอาเสบียงคล้องบ่าเดินกันแล้ว เหมือนเราบอกเออจะไปเฝ้าพ่อในสถานที่ประสูติตัสรู้แสดงธรรมจักและปรินิพานเราก็เดินไปเหมือนกันเดินน้อยแต่นั่งรถนั่งเครื่องขนาดนี้ยังบอกโอ้โหที่จะลำบากไหมนี่อะไรสารพาัดเนี่ยเนี่ยกลัวกลัวแล้วใช่ไหมไม่เห็นคุณเนาะเอาใหม่ตั้งหลักวิธีคิดให้เป็น แล้วก็ได้นี้ไปก็ได้นี้ก็จะคิดได้ตรงนี้ก็ลักษณะนี้ก็เรียกว่ามีศรัทธาเห็นไหมเนี่ยความเชื่อมั่นความรักแต่วันที่พระบรมศาสดาลงจากดาวดึงเนี่ยนะแล้วก็แสดงอีกครั้งหนึ่งนั้นก็คือมีสัตว์ได้บรรลุ300ร้อล้านท้งนั้นนะนั่นแหละคือผลของการมีศรัทธาเป็นถามว่าเจตนาที่เป็นทานเนี่ย ทีนนนะ่น้อมสละเนี่ยเนีน้อมสละเนี่ยเจตนาที่เป็นทา น, นอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาตรงนั้นนั่นแหละเป็นประทัดฐานของของทานกุศลเป็นเหตุใกล้ก็คือเชื่ออะไรเชื่อกำไงเชื่อกรร ม, รรมแล้วก็เชื่อผลของกรรมเชื่อกรรมและเชื่อผลของการกระทํานี่ยเมื่อมีความเชื่อกรรมและเชื่อผลของการการกระทําอย่างอย่างมั่นมั่นคงเนีะ ก็เชื่อตรงไหนเชื่อตรงที่พระบรมศาสดาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าใครรู้ผลของทานอย่างที่ตถาคดรู้ใช่ไหมที่จักไม่ให้ทานแล้วก่อนบริโภคเป็นไม่มีคาคานี้กระทบถึงศีลด้วยไหกระทบถึงศีลด้วยเนคขมะด้วยปัญญาด้วยวิริยะขันติสัจจะอธิฐานน้เมตตาและอุเบกขาด้วยนะเวลาเราฟังพระธรรมเนี่ย อย่าไปจมอยู่แค่ทานนะเพราะเราไม่รู้ไงอา น, นิสงค์ของศีลไม่รู้อา น, นิสงค์ของเนคขมะไม่รู้อา น, นิสง์ของปัญญาไม่รู้อา น, นิสงค์ของวิรยิยะขันติสัจจะทิ่ฐานเมตตาอเวขาเราจึงไม่ทำกันไงถ้าใครรู้อย่างที่พระศาสดารู้สิท่านผู้นั้นก็จะต้องทำมองเห็นหั้มทีนี้การที่เราจะรู้ได้ก็ต้องเป็นอะไร การให้ทานเนี่ยการการการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของศรัทธาทานตรงนี้ก็คือเชื่อมั่นและการบริจาค ก, การเชื่อมั่นคือเรื่องสายกรรมและผลของการกระทำเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ทั้งบอกว่าพรั่งพร้อมไปได้วยกรมาคุณนะผลนั้นเนี่อันนั้นเราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการให้เนี่ยด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยทาในชั้นของคาสอนถ้าเราดูในในคสอนเนี่ย ที่ท่านใช้คําว่าอย่างนี้นะหมายควาให้แก่สัตย์เดระฉานใช่ไหมศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเนี่ยอย่างพระเนี่ยนะเวลาท่านกินฉนอาหารเบรร็ดเสร็จยืนจะเหลือในบาตร ท, ทาไมเหลือท่านคิดถึงสัตยเดระฉา น, นใช่ไหมถึงแม้เหลือมันก็ยังสามารถให้กับสัตยเดระฉานได้ในพระวินัยก็บอกว่าเอออย่าไปใช่ไหม จะไปเทหน้าที่ไหนอย่างไรท่านก่อนเอาไปเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานอีกทีนึงเพราะท่านเข้าใจไงเข้าใจว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานได้เกียอัตราภาพร้อยร้อยคูณเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เห็นไหมว่าร้อยเท่าสตะคูนานี่ยสตากี่ร้อยเนาะมีอันิี่สองร้อยเท่าพึงหวังก็คือว่าพึงปรารถนาบอกว่าทักษิณานี้ย่อมให้อนิสองห้าร้อยเท่า จากร้อยอัตภาพเนี้ยจะได้500อยเท่าอายุร้อยเท่าวันนะก็ร้อยเท่าความสุขก็ร้อยเท่าภระก็ร้อยเท่าปฏิพัน์คือปัญญาก็ร้อยเท่าคือทักษินาให้อายุในร้อยอัตภาพคือชาตินั่นเองอัตภาพในเรืองก็คือร้อยชาติชื่อว่าอายุร้อยเท่าให้วันนะร้อยอัตภาพชื่อว่าวันนะร้อยเท่าให้สุกร้อยอัตภาพก็ชื่อว่าสุขร้อยเท่าให้ภรร ร้อยอัตภาพก็ชื่อว่าพระน้ร้อยเท่าให้ปฏิพานะร้อยคือทำให้ไม่สะดุ้งในร้อยอัตภาพชื่อว่าปฏิพานนร้อยเท่าร้อยอัตภาพก็คือร้อยพบอันนี้คือเข้าใจอ น, นิสงย์งถ้าปุถุชนมีทุสีลเท่าไหร่นะพันใช่ไหมพันก็คูณห้าไปถ้าหากว่า มีศีลแสนแสนก็คูณหายย้าอีกเหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลที่ได้สมาบัตรนอกาศาสนาแสนโกดก็คูณหา้าอีกโอ้โหเยอะแล้วเกิเนไปเลยเอาบุคคลที่ตั้งในสาราะคมเป็นต้นไปแต่เนี้ย <c oughs> เริ่มตั้งแต่ตั้งสาราะคมก็คือว่าแม้อุบาศกผู้ ถึงสาระสามโดยที่สุดเบื้องต่ำชื่อว่าปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลอันนี้หาประมาณไม่ได้อันนี้ก็ว่าไปตามลำดับเนะี่ยทานที่ให้แกอุบาสกผู้ปฏิบัติทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลก็นับได้ว่าประมาณไม่ได้ส่วนทานที่ให้แกบุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลห้า มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลสิมีผลมากกว่านั้นอีกทานที่ถวายแก่สมณะที่บวชในวันนั้นมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแก่ภิกษุที่อุปสมบทแล้วมีมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแก่ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วพูดถึงพร้อมได้วัดก็มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่บุคคลที่ปารลวิปัสสนามีผลมากกว่านั้นแต่สําหรับ ส่วนผลชั้นสูงผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลชื่อว่าปฏิบัติเป็นคนแรกในจนํานวนผู้มีมรรคขสมังชีนั่นก็ว่าไปตามดักก็ตรงนี้ก็คือว่าท่านไล่ไปตามหลับจนถึงสงมากกว่า น, นั้นที่จริงเป้าหมายตรงนี้ก็คือท่านต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของคําว่าให้รู้จักเหตุและผลให้รู้จักเหตุทีนี้การที่จะทําเหตุให้ได้อย่างนั้นก็คือว่าดังที่ได้กล่าว การที่เราจะระดมเจตนาที่เป็นกุศลเป็นต้นเนี่ยที่เป็นศรัทธาทานแล้วก็สักการะทานสักการะทานนี่ก็หมายความว่าผู้บยากทานโดยการเคารพเคารพตนและเคารพทายาธรรมเน่ยเคารพตนและทายาธรรมให้สะอาดหมดจดแล้วก็เคารพเนี่ยเคารพทานและผลของทานเป็นต้นส่วนการละทานที่โยมถามบอกว่าบริจาคทานให้เหมาะสมแก่การเนี่ยเช่นการนี้เป็นการที่ ควรจะจัดแจงได้แล้วใช่ไหมเช่นเราเดินเดินไปเราก็เห็นว่าโอ้ที่อยู่ของสงชรลดสุดโสมมาก เ, เราเห็นการว่าฝนเออเลยเอเอกรณีอย่างนี้เป็นการละนะมันเหมาะแค่การแล้วหรือว่าที่เขาชอบโฆษณากันเรื่องกระถิน <laughs> เป็นการละทานนะนะที่จริงเออนี นะก็คือกรณีอย่างนี้เพราะผลนั้นจะเป็นยังไงผลนั้นจะให้ได้รับอัความเจริญรุ่งเรืองในอายุวันนาสุขาภละเนี่ยปฏิพานเนี่ยตั้งแต่ปฐ ม, มวัยมาฉิ ม, มวัยและปัดฉิ ม, มวัยคือผลมันจะเป็นอย่างนี้ให้สังเกตตัวนะว่าเรามักจะให้สังเกตว่าคนบางคนเนี่ยปรารถนาบางทีนึกปรารถนาอะไรไม่ค่อยประสบผลบางทีต้องรอนานหน่อยเนี่ยนี เพราะขาดขาดทานประเภทนี่ยแต่บางคนดำหลี่อะไรไม่ได้นะมาทุกทีเลยนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะบางคนแค่ดำหลีเนี่ยมาแล้วเคยได้ยินข่าวคําว่าโครงการพระราชดำหลี่ไหมแป๊บก็เสร็จแป๊บก็เสร็จเ <laughs> นี่ยบุญก็นบุญท่านดีแบบเนี้ยใช่ไหมของเรานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลองดํำหลี่จริงๆ ด, ดำหลี่เทบแย่อุปสรรคเต็มไปหมดเลยเนี่ย เ, ยเยข้าจใจยังเนี่ยถ้าภรสาสดานะไม่ต้องพูดถึง อนุคหิตาทานก็คือบริจาคทานโดยความสละก็คือไม่ยึดติดเมื่อกี้มีใครที่บอกว่าให้แล้วใจมันเสียอันนี้มันขาดข้อเ น, นี่คือให้ไปแล้วใจมันเสียอพอไปเห็นโป๊บนี่เอหูป่อยหมาปล่อยแมวขึ้นไปมหมดแล้วหมดแล้วที่กูสร้างไว้ไม่ <c oughs> มัน <c oughs> มันยึดติด มันยังหวงไม่สละลายความตันหนีไอ้ความยึดติดอยู่ไม่สละตันหาไม่สละมานาทิถีออกมาไอ้ตรงนี้ก็คือว่าผลเป็นยังไงพังพร้อมด้วยกามาคุณไหมพังพร้อมแต่แต่จะกลายเป็นคนเฝ้าทรัพย์พอได้ผลออกมาแล้วก็ออกจากทรัพย์ไม่ได้กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ไม่คำาไม่คำว่ า, าเฝ้าในที่นี้เป็นมนุษย์ก็เฝ้าแล้วเนี่ยออกห่วงหวงยังเลไม่ค่อยกล้าใช้เอามาดูจนเสียแล้วถึงค่อยๆเอาออกมาใช้อะ <S <S เคยเป็นไหมบางเนี้ยคนเคยเป็นไหมล่ะพับไว้สจนแทบเอ๊ะแล้วพวกเอาเก็บเพชรไว้นานๆแหละไม่ใช่เนาะเอองั้นก็ไม่ใช่ก็แล้วกัน ที่จริงมันเป็นวัตถุกรามหรือวัตถุธานไปกระทองบอก <ไป S 2> ใช่ไหมไปบอ ก, บกป้าลบไงถึงจะไม่เป็นวัตถุธานดีจักเอาถวายพระพุทธเจ้ า, า <laughs> นู่นหนูแฝดไว้บนยอดเจดีย์สูงๆน่ ง, งนะให้คนมองทั่วแผ่นดินสักทีคใจฮะฮะอันเนี้ย ละข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตแรืถวายอย่างแต่ในกิจกรรมที่ทําพยายามทําอยู่แต่ถ้าว่าเป็นวัตถุที่เคื่อนได้เพื่อพูดว่าถวายจังหวะอ๋ออย่างนั้นเลยออเป็นงั้นเองเออน่าคิดกันนะเอเอาจะว่าไงช่วยคิดหน่อยซิ้นี่เอาช่วยคิดหน่อยสิเอาจะทํายังไงดี คือหมอคือจริงๆในหลักในหลักถ้าเขาถวายเนี่ยเขาต้องต้องถวายจริงใช่ไหยทางกายกรรมใช่ไหมทางวิจีกรรมก็ต้องพูดเพลงออกมาใช่ไหมอันนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าสมบัติที่เป็นของของเราเนี่ยที่เรายึดติดกันเนี่ยพราะเหตุที่เรายังยังเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันในกรณีวัตถุกรรมให้สังเกต ด, ดูนะว่า ถ้าเป็นพระสวสดาบันท่านจะละไอตัวมัชชริยะได้ใช่ไหมเออมัชชริยะนี่ไปเกิดอยู่ในโทสะนี่ทั้งๆที่ตัณหายังไม่หมดนะแต่มัชชริยะในโทสะถูกลาด้วยสมุทเฉทะาไหมสวสดาปริมากษเนี่ยเป็นไม่เป็น<ส>เป็นหรือยั ง, ยงจริง ถามว่าพระโสดาบันเนี่ยห่วงไหมไ <ป S 1> อิสสา <ไป S 1> และมัชริยาเนี่เป็นเหตุแห่ง<ม>การทะเลาะ<ม>ทะเลาะวิวาส<ม>ฉะนั้นตัวมัชริยาในในโทสะนั้นประหารโดยโสดาปฏิมาศ<ม>ลองไปดูสิใช่ไห ม, มประหารไห ม, มรู้สึกจะอยู่ในมัติกาหรืออยู่ในอะไรไม่แน่ใจเนย ต้องไปดูตรวจสอบในมาติกาอีกทีเอามาก็ไม่ได้ตรวจสอบมานานแต่จําจไม่ผิดนะฮน ะ, อะเออไปดูในหมวดของทัศนีน่าปหาตับพัฒติกาเนี่ยไปดูในหมวดนั้นนะทำที่โสดาปริมักพึงละพึงประหาร น, น, น่าจะมีอิสามาชัชเรยะอยีกในนั้นด้วยน่าจะมีตัวมชัชเรยาถูกละเพราะเอามาไปเทียบเคียงในไห น, ไหนในสักกะปัญหาสูตรที่พระที่พระที่ท้าวสกกะ เท้าเธอไปถามว่าศาสดาว่าอะไรหนอเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การทำให้ขัดแย้งทะเลาะกันเนี่ยทั้งๆที่ปรารถนาดีพระศาสดาก็ตั้งทงทีแรกเลยว่าอิสสาและมาเชริยะแล้วเท้าเธอฟังนี่ปัญหา14ข้อนี่แหละแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีแต่ไม่แน่ใจนะตรงนี้อาจจะไม่ ถ้าใครมีมาติกาไปดูได้ น, ะ, น, ะ, นะดูได้นะดูใ น, นมาติกาในหมวดทัศในนะปัหาตัพัรรมลองไปตรวจสอบไม่แน่ใจนะตรงนี้ก็คือว่าเจตนาทานได้แก่เจตนาที่สัมพยุตกับมหากุศลซึึงเป็นเหตุแห่งการให้ทานส่วนวัตถุทานก็จะแก่ปัจจัยสี่ที่เป็นไตยธรรมใช่ม อะโลพาทานได้แก่อโลพระเจตสิกที่ประกอบกับเจตนาที่เป็นไปเหตุแห่งการให้ทานเหมือนกันที่เป็นไปกับกุศลจิตุบุบาทอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกุศลหมดเลยนะเนี่ยนะพูดถึงกุศลหมดเลยส่วนเวรติทานก็้แก่เวรติสามที่สา ม, มารถงดเว้นจากอากุศลทุจริตอั น, นเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องหวั่นใจในการที่จะมีภัยบังเกิดขึ้นอันนี้เป็นอภัยาทานทั้งที่เป็นภายในและลภายนอกด้วยเห็นไหมนึกถึงตนเองและลภายนอกด้วย ถ้าในชั้นของคําสอนเขาก็เลยมาคําว่าเจตสิกที่ประกอบกับมหากุศลชื่อว่าทานวัตถุสิ่งของก็ชื่อว่าทานอโลภาเจติกที่ประกอบกับเจตนาเป็นเหตุแห่งการให้ก็ชื่อว่าทานและถ้าในกระถาวัตถุการกล่าวคําให้อภัยกันการให้อภัยก็ชื่อว่าวิรติทานตรงนี้ส่วนภาลิยาสาวกเว้นขาจาก ปธิบาติเป็นต้นให้อภัยแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้อันนี้ก็มาในคำสอนที่ได้ยกได้ยกมานที่กล่าวไว้อ๋อไม่ใช่ที่บอกว่า ห า, หาประมาณไม่ได้นะที่มาจะาคำว่า ง, งดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นคือในทัศนะประหาตภาติการเนี่ยมาไม่ได้ดูนานแต่ดูแบบประมวลว่าเคยสอนมา น, น่นาจะประมาณ15บปีแล้วมันจะพอค้างใจอยู่แต่ว่าพอดูในส ก, กัดปัญหาสูตรมันเลยชัดตรงนั้นใช่ เพราะตรงนั้นไปดูในนั้นอะจะมีชัดเจนเพราะสังเกตยังไงสังเกตในชั้นของคำสอนเนี่ยว่าคนที่เป็นพันศรดาบันเนี่ยพระห้ามขออะไรท่านเพราะขอไม่ได้เลยรู้ว่าพระต้องการเนี่ยตัดเนื้อ น, น้องถวายพระยังเคยมีไว้แล้วจะมีสิกาบทยังมีสิกขาบ ท, าบ ท, าบทห้ามเลยไม่ได้ใจขนาดนั้นเลยนะพันศรดาบัณฑแค่แค่พระทาทีทำท่าจะนั้นๆหน่อยเนี่ยทันทีเลย นี่ไม่ได้เลยนั้นใครใครใครมีปกติที่ให้อะไรมากๆเนี่ยพระจะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเดินเดินหนีแล้วคนเองก็เริ่มหาไปจากทานได้ยากขึ้นนะเพราะรู้ว่าโอ้โหมีเท่าไหร่ก็ให้มีเท่าไหร่ก็ให้ห ใ, หใช่ไหมในประเภทเนี่ยแต่ทํามาทุกวันนี่ก็ย่งกันนั่น <c oughs> <c oughs> ทุกคัน <c oughs> แต่ท่านนี้อยู่หมายการอยู่ในแวดวงบัณฑิตถ้าอยู่ในแวดวงบัณฑิตนี่ไม่ได้ ส่วนคําว่า อ, อกรณีนี้บอกว่าคือการเป็นอยู่ก็ผาสุขสบายไม่เพียงแต่เป็นคนเฝ้าทรัพย์เนียก็หมายความว่าบางคนเนี่ยมีทรัพย์แต่เป็นได้แค่คนเฝ้าทรัพย์ก็เห็นไหมล่ะที่นั่งนี้มีไหมมีไหมมีใครแหมว่าแค่ไปนั่งเฝ้าทรัพย์วันๆเนี่ยก็คือฮะ ไม่ใช่เฝ้าซัพบเนี่ยก็คือเป็นของตนเองแต่ไม่กล้าใช้เนี่ก็เรียกเฝ้าทรัพย์ไม่ได้มีมากนะไม่เรียกว่ามีมากเท่าไหร่นะมีทรัพย์พอสมควรแต่ก็เฝ้าแต่การใช้นี่ที่จริงพอพูดในเรื่องตรงนี้พอพูดเรื่องทานนี่นะถ้าต้องการอยากใด้เห็นภาพเนี่ยจะต้องเอาแต่ละเรื่องมาเชื่อมกันแต่ละเรื่องเลยนะยกตัวอย่างเช่นนะ ที่พูดมาแต่แรกอะสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายท ร, รพัพย์บริโภคสุขเกิดเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็สุขเกิดแต่การประพฤติที่ไร้โทษทั้งกายกรรมไม่มีโทษวัจีกรรม ม, รมรโนกรรมที่ไม่มีโทษเนี่ยนะท่านก็เทียบเคียงบอกว่ามีสุขเกิดแต่การมีท ร, รัพย์ก็มีความสุขนะจ่ายทรัพย์บริโภคก็มีความสุขนะเพราะทรัพย์นั้นหา 101, มาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยเรี่ยวแรงด้วยลำแข้งเลยนะอาบเหงื่อต่างน้ําได้มาโดยทําเป็นของชอบทำเนี่ย แล้วก็ไม่เป็นหนี้ใครก็มีความสุขแต่ท่านบอกว่าส่วนประการที่สี่สุขที่เกิดจากการประพฤต์งดเว้นจากกายกรรมที่ไม่ทุจริตว์วจีกรรมที่ไม่ทุจิยริทธ์มโนกรรมที่ไม่ทุจริตเนี่ยอันนี้เป็นที่เขาเป็นผลของกุศลศีลเนี่ยใช่ไหมการปรากฏของศีลก็คือกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดกายวาจาใจสะอาดนั้นเป็นสุจริตสา น, นัตรงเนี้สุขมากกว่าการมีทรัพย์สุขมากเกินการจ่ายกว่าจ่ายทรัพย์สุขมากกว่าการไม่เป็นหนี้ใครแค่นั่งอยู่นี่มีมีใครมีหนี้บ้างไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ถามแล้วว่ามีความสุขหรือเปล่าแต่แต่บางคนเขาเป็นอย่างนี้ไงเขาเห็นการไหลออกไหลเข้าเนี่ยนะมันหมุนอยู่ เขาวิ่งดูทางทางที่น้ำไหลเข้ามาและน้ำที่ไหลออกเนี่ยมันสมดุลกันอยู่อย่างนี้ถือว่าเขาโอเคเนี่ยชีวิตเขาใช่ไหมไอตัวตัวตัวขยะไอตัวที่ทำลายขยะมันมีอยู่แต่ปริมาณขยะเข้ามาก็มีอยู่ใช่ไหมอาจขยะอาจจะค้างไว้หน่อย แต่การทํางานของเครื่องที่เผาขยะมันมีอยู่ทั้งนี้โอเคแต่ถ้ามันไม่ละมันไม่ออกเล ย, ย, น ย, เ, ลยเนี่ยยุ่งอะไรเนี่ยก็หมายความไม่ได้กําจัดขยะออกเลยเนี่ยนะออกเลยแล้วก็ตัวขยะก็เพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆอันนี้จะมีปัญหาเลยเนี่ยปริมาณที่ไหลเข้าทีเนะี่ยถ้ามองอย่างนี้มันก็เออมามองดูอย่างนี้ก็เห็นใช่ไหมแ ต, แต่ถ้าหากว่าในนั้นมันไม่มีขยะอยู่เลยเนี่ยโอ้โหมีความสุข น, นี่ก็เรียกไม่มีนี่แต่ท่านบอกว่า ความสุขทั้ง3ประการนั้นน่ะสู้ไม่ได้กับความสุขกับ ก, บการประพฤติไร้โทษกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษมโนกรรมที่ไม่มีโทษท่านแยกยังไงท่านบอกว่าเอาความสุขเอาความสุขของการประพฤติไร้โทษเนี่ยไม่แยกไม่แยกแยกออกเป็น16ครั้งแล้วก็ส่วนที่16บมาแยกออกอีก16ครั้ง เราเอาเซี่ยวของเซี่ยวที่สิบครั้งที่สองเขาบอกความสุขสามประการนั้นเน่ยเทียบไม่ได้กับความสุขครั้งที่สิบเซี่ยวที่สิบที่แยกออกมาเป็นครั้งที่สองบางแห่งบางคำพีใช้การแยกสองครั้งบางคมพีก็บอกว่าเซี่ยวของเซี่ยวที่สิบหกไม่แยกเลยอันนี้ก็เออเป็นการเทียบเพื่อเห็นว่าการประพฤติที่ไร้โทษสิมีความสุขมากกว่าใช่ไหม ไปเดินจ่ายทรัพย์บริโภคเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมีรัพย์จ่ายจ่ายจายเนี่ยมันจะเป็นสุขเท่ากับกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดได้อย่างไรใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้ท่านก็เทียบไปดูแล้วท่านก็บอกว่าเออมีทรัพย์มาแล้วใช้จ่า ย, ยางไงดูก่อนขนั้นตบดีทั้งหลายก็ไล่ไปตามลําดับอันนี้ก็ไปดูในรายละเอียดทีนี้ที่ต้องการพูดตรงนี้ก็คือว่าถ้าเฝ้าทรัพย์ที่เป็นอนุกอนุการีตาทานเนี่ย อ, อันนี้ อ, นอันนีอน้อันนี้เสียแล้ว เพราะการเจตนาที่ให้เนะี่ยมันผิดไปเพราะว่าโดยโดยไม่สละอย่างแท้จริงเข้าใจไหมประเด็นที่ยอมถามอ่ะสละแล้วไม่ขาดการให้แล้วยังมีการยึดติดอันนี้อันนี้พลาดแล้วการให้แบบยึดติดไม่มีขาดสัปปุริสถานทานของสัต บ, บุรุษเนะี่ยข้อที่สไป่ นะเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนั้นอะโลภะไม่ทากิจไม่มาทำกิดในฐานะเป็นประธานทั้งนี้ถ้าพูดถึงทานจริงๆท่านขับเน้นตัววัตถุทานหรือขับเน้นที่เจตนาเจตนาที่เป็นไปกับมหากุศลนะถ้าเจตนาที่เป็นไปในมหากุศลนั้นน่ะถ้าทานกุศลเขาเดินแล้วทำงานอย่างต่อเนื่องผลิตก็แปลว่าเราจะการให้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการเช็ค ตรวจสอบคุณธรรมภายในของเราดูว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมภายในออกมาได้เยอะไหมกุศลเน่ยเม็ดของกุศลปริมาณของกุศลหน่วยของกุศลชาวหน้าที่เป็นไปเก่ยกับกุศลน่ยมันจะไหลได้มากไหมมันจะไหลได้มากหรือไม่มากอะมันไม่ใช่ว่านะั่นมันต้องมีองค์ประกอบเป็นการไข่ควรนะปารพอะไรถวายเป็นสง์เป็นประธานเออปารพบอะไรดีปารพสี ปารบเสียงปารบกลิ่นปารบรถก็เหมือนได้ผ้าผืนนี้ท่านยกตัวอย่างเลยนะในอัตสาหรณี้สมมติว่าผ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีทองท่านก็ปารบเลยบอกผ้านี้สีทองเปล่งปลังงดงามอย่างเงี้ยนะพระวรากายของพระบรมศาสดาก็เปล่งปลังด้วยฉับพันหลังสีข้าพเจ้าจักนำผ้าผืนนี้ถวาย เป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมไปห่มพระวรากายของพระบรม ศ, ศาสดาเป็นต้นอะไเนี้ยไปประดิ ษ, ษฐานไว้หน้าที่พระเจดีย์ที่ต้นพระสีมหาโพเป็นต้นเนี้ยกลณนีปารพเงี้ยอันนี้เจตนาที่ปารพสีเป็นฐานทีนี้เสียงของผ้าก็มีใช่หมเสียงกลินรรสที่ปารพอะไรดี รถของพระธรรมเป็นต้นก็ได้ mm hmm. โพธิภพเย็นร้อนแล้วก็ธรรมารมณ์ที่เกี่ยวกับผ้าที่มีอาโปธาตุเป็นต้นเหล่านี้ที่ยึดโยงใช่ไหมหรือไม่อย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยที่ยึดโยงทําให้ผ้าเป็นผืนงดงามเกาะกลุ่มกันอยู่ได้เป็นต้นเหล่านี้ในการที่จะถวายทีนี้ในขณะที่เดินไปในกายกรรมที่เป็นทานใช่ไหม วาจาที่กล่าวเชิญชวนให้ไปน้อมอนุโมทนาด้วยการนิววจีกรรมที่เป็นน้มเป็ น, ป น, ปนทา น, นกุศลนะไม่ทํากายกรรมวจีกรรมให้เคลื่อนไหวใจก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเต้นเหล่านี้เป็นไปอยู่อันนี้เขาเรียกมโนโกรรมที่เป็นทา น, นกุศลเนี่ยเราก็ไข่ควรอย่างเงี้ยกายกรรมก็เป็นทานกุศลวัจีกรรมและมโนกรรมก็เป็นทานกุศลอย่างเงี้ยการไข้ควรอย่างนี้ที่เคยกล่าวบ่อยๆใช่ไหมอย่างนี้ก็เราก็พารลบถึงนี้และในขณะที่นั่นไปเบ็ดเสร็จก็ดูว่าอะโลภทานเนี่ย น้อมถวายเบเสร็จก็นั่นเลยพอถวายเสร็จเดินยังไม่ทันหันหลังเลยพวกดึงผ้าไปใจเสียเลยว่าตายชุดก่อนไปที่โน่นนี่โคธามาพอไปเอามาก็เอาเอาเอาถาดเอาไปบูชากำลังสวดมนต์อยู่เลยเด็กวิ่งมาอย่างไหนคว้าถาดทองไอทองมันนึกว่าเป็นทองจริงมันวิ่งไปหมดเลย เร็วแต่นี้ก็คนบางคนใจเสียไปเลยใจเสียไปเลยี่ตรงเนี้ยเสียแล้วนะน้อมถวายก็คือถวายไปเลยกุศลเจตนาเขาสาเร็จแล้วใช่ไหมสําเร็จแล้วตรงนี้วัดกันได้มากนะว่าใครตัดได้แค่ไหนอย่างไรตรงนี้สำคัญมากเลยแต่ใจเสียไม่ได้เนะี้ยอย่างเงี้ย ส่วนอนุปหจารทานก็คือว่าผู้บริจารทานโดยไม่มีการกระทบตนและผู้อื่นอันนี้เป็นไปกับมานะนั่นเองกระทบตนและผู้อื่นตรงนี้สําคัญมากนะการให้ทานอย่าให้ตรงนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดถ้าใครเสียทานข้อนี้เนี่ยโอ้โหผลที่ตามมานี่นี่ที่เราบอกว่าถ้าผลทานชนิดนี้เกิดขึ้นในภพต่อๆไปมั่งข้างมีทรัพย์มากแล้ะพังพร้อมในกาเมคุณไม่ใช่ แล้วก็ตีนี้จะปลอดภัยจากอัคคีภัยอุทกภัยราชภัยเจรรภัยวาดาภัยเนี่ยแล้วก็จรรภัยลูกหลานญาติมิตรที่แวดล้อมก็ไม่ก็ทายาททายาทก็ดีได้ทายาทดี